เคล็ดลับในการสร้างปฏิกิริยาวิธีการเบื้องต้นในการสร้างปฏิกิริยาช่วยความจำให้เพียงพอที่จะจำได้นั้นคือการท่องจำหรือการอ่านทบทวนดังๆให้เสียงนั้นผ่านเข้าหูในข้อความที่จะจำซ้ำๆกันลหลายๆครั้งอันเป็นการได้เห็นจากสายตาได้ยินจากทางหูในการท่องจำแต่ละครั้งนั้นจะก่อให้เกิดร่องรอยประทับหรือภาพพิมพ์ใจขึ้นในสมองช่องความจำให้เด่นขึ้น แต่จากการสำรวจในกลุ่มคนที่มีการศึกษาและมีความจำดีพอสมควรนั้นการท่องจำในสองสามครั้งแรกจะให้ผลในการจำมากกว่าการท่องหรือการฟังการกล่าวซ้ำในครั้งต่อๆมาในการอ่านหนังสือเพื่อที่จะท่องจำนั้นผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำว่าผลจากการอ่านหนังสือที่จ๊กะยากประเภทเดียวกันโดยอ่านซ้ำถึงห้าครั้งในวันเดียวกับการอ่านวันละครั้งเป็นเวลาห้าวันจากการทดสอบปรากฏว่า การอ่านซ้ำในวันเดียว56ครั้งทำให้เกิดความจำได้แม่นยำน้อยกว่าและสั้นกว่าการอ่านวันละครั้งซ้ำๆกัน56วันด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าในการท่องจำนั้นไม่ควรจะคร่ำเคร่งจนร่างกายและสมองเกิดความเหน็ดเหนื่อยจนเกินไปเพราะสมองที่เหนื่อยอ่อนจะทำให้ความจำพลอยเสื่อมไปด้วย นอกจากนั้นการเร่งท่องซ้ำๆกันหลายครั้งในวันเดียวติดต่อกันอาจทําให้เกิดการเบื่อหน่ายซึ่งจะให้ผลเช่นเดียวกับที่เกิดความเหนื่อยอ่อนดังนั้นการขยายระยะเวลาท่องจําออกไปโดยท่องเป็นมาระยา ะ, ะ, ยะจะช่วยความจําได้ดีกว่าแต่การขยายเวลาท่องจําออกไปนั้นควรจะเว้นมาระยะเวลาแต่ละครั้งนานเท่าใดและควรจะเว้นช่วงไว้นานเพียงใดนั้นย่อมจะต้องแล้วแต่บุคคลไป อย่างไรก็ดีนักจิตวิทยาได้เสนอข้อแนะไว้ดังนี้คือการท่องจำสำหรับเรื่องที่มีความยากน้อยการหยุดเป็นช่วงๆ ช, ช่วงละนานประมาณ 3-5 ถึงนาทีระหว่างการท่องจำมักจะปรากฏผลดีการจำเช่นนี้ควรใช้กับการท่องจำคำคมหรือคำประพันธ์สั้นๆแต่ถ้าข้อความที่จะจำนั้นยาวมากขึ้นแล้วการเว้นช่วงเวลาควรจะเพิ่มมากขึ้นตามส่วน สำหรับการท่องจำเรื่องยากๆนั้นขนาดท่องจำอาจจะต้องใช้ความเครียดมากและอาจจะทำให้เกิดความเหนื่อยอ่อนทางประสาทสมองหรือเกิดความเบื่อหน่ายจึงควรทอดประรยะเวลาช่วงเวลาพักให้นานยิ่งขึ้นไปอีกในการท่องจำบทบเรียนปรากฏว่าเด็กๆมักจะเกิดความรู้สึกเหนื่อยหน่ายเร็วกว่าผู้ใหญ่แม้ว่าเด็กจะกลับกระปรี้กระเปร่าเร็วกว่าผู้ใหญ่ก็ตามดังนั้นเด็กนักเรียน ควรใช้เวลาช่วงในการท่องจำแต่ละช่วงไม่เกิน2 0ถึงานาทีกล่าวโดยสรุปการจัดช่วงเวลาท่องจำและหยุดพักควรถือแนวปฏิบัติดังนี้คือจงจัดช่วงเวลาในการท่องจำให้นานพอที่จะมีการเตรียมตัวสำหรับการจำเรื่องนั้นๆได้ทันจงหยุดการท่องจำทันทีเมื่อเกิดความรู้สึกเหนื่อยอ่อนหรือเกิดความรู้สึกเบื่อ ถ้าไม่อาจจะจัดเวลาที่เหมาะสมได้จงเลือกใช้เวลาที่คุณจะต้องรอคอยใครสักคนหนึ่งหรือเวลาที่คุณว่างเป็นเวลาสําหรับท่องจําเพิ่มขึ้นอีกสักสองสามครั้งในวันหนึ่งหนึ่งการนึกได้นักเรียนบางคนเมื่อได้รับคําสั่งจากครูให้ท่องจําบทประพันธ์ปรากฏว่านักเรียนผู้นั้นท่องจําบทประพันธ์แต่เพียงบางส่วนเท่านั้นแต่เมื่อถึงเวลาทดสอบปรากฏว่าเขาท่องได้ถูกต้องครบถ้วน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเขามีการบันรึกได้ในสิ่งที่เกี่ยวโยงกันดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นหาได้เกี่ยวกับการท่องจำไม่การบันึกได้ก็เช่นเดียวกับสิ่งที่เราได้มาโดยไม่ได้เสียอะไรเพิ่มเติมอีกเลยการนึกได้โดยปกติจะเกิดขึ้นภายในเวลาประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงหลังจากที่เราได้เลิกท่องจำแล้วแต่ถ้าหยุดท่องจำไปแล้วเป็นเวลานานสิ่งที่เราจะระลึกได้อาจเหลือเพียงเล็กน้อยหรืออาจไม่มีเหลืออยู่เลยก็ได้ ที่มาของการนึกได้นักจิตวิทยาผู้หนึ่งได้กระทําการทดสอบเกี่ยวกับการนึกได้ของบุคคลที่มีภูมิความรู้และวัยวุทธต่างๆกันโดยได้เชิญบุคคลกลุ่มหนึ่งมาร่วมงานปาร์ตี้และลีลาดหลังจากการดื่มค็อกเทลกันแล้วนักจิตวิทยาผู้นั้นได้ขอให้ทุกคนเขียนชื่อมลรัฐต่างๆของสหรัฐอเมริกาลงในแผ่นกระดาษที่เขาได้แจกให้เมื่อทุกคนเขียนหมดแล้วก็นํามามอบให้แก่เขาจากนั้นเขาขอให้บุคคลเหล่านั้นลีลาดกันต่อไป ประมาณสองชั่วโมงแล้วคืนกระดาษแผ่นเก่าให้แก่แต่ละคนพร้อมกับบอกว่าถ้าใครนึกชื่อมลรัฐได้เพิ่มเติมได้อีกก็ขอให้เขียนเพิ่มลงไปผลปรากฏว่ามีหลายคนที่เขียนชื่อมลรัฐได้เพิ่มมากขึ้น เหตุที่เป็นเช่นนี้นั ก, กจิตวิทยาผู้นั้นอธิบายว่าภายหลังการเขียนชื่อครั้งแรกแล้วแม้บุคคลเหล่านั้นจะได้สนุกสนานกับการลีลาชแต่ภายในสมองของแต่ละบุคคล น, นั้นยังคงผูกพันคิดค้นเกี่ยวกับชื่อรัฐต่างๆอยู่เรื่อยๆและระลึกเพิ่มได้อีกคนละหลายรัฐการที่สมองของมนุษย์เรายังคงคิดต่อไปเองภายหลังที่เราได้เลิกตั้งใจที่จะคิดแล้วนั้น ทำให้เราได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นโดยไม่ตั้งใจแต่การที่จะเป็นเช่นนี้ได้เราจะต้องอยู่ในภาวะที่มีปฏิกิริยาช่วยความจำอันจะทำให้สมองคิดต่อไปด้วย ภาวะที่จะช่วยให้การนึกยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าสมองของเราจะหยุดคิดแล้วแต่ก็ยังมีภาวะหลายอย่างที่จะช่วยให้การนึกของเรายังคงดำเนินต่อไปและภาวะเหล่านี้สามารถจะทำให้มุมหนึ่งของการปฏิบัติงานของสมองในช่องความจำของเรายังทำงานนั้นต่อไปคือการระลึกรื้อฟื้นความจำในเรื่องนั้นต่อไปทั้งๆ ท, ที่เราได้เลิกตั้งใจที่จะคิดแล้วก็ตาม ภาวะที่ช่วยให้การนึกต่อไปอยังคงดำเนินต่อไปหลังจากที่เราเลิกคิดโดยตั้งใจแล้วจะเกิดขึ้นในกรณีต่อไปนี้คือความสนใจในสิ่งที่ต้องการจะจำโดยปกติทั่วไปแล้วความสนใจมักจะช่วยดึงความจำออกมาจากส่วนลึกของสมองที่เป็นดังนี้ก็เพราะความสนใจเท่านั้นที่จะดึงเอาความจำที่ซ่อนเร้นอยู่ขึ้นมาตรงข้ามกับความเบื่อหน่ายที่ไม่อาจจะช่วยได้แม้ว่าเราตั้งใจจะนึกคิดค้นก็ตามที ความจริงข้อนี้จะเห็นได้จากการที่ชายหนุ่มมักจะนึกได้ถึงวันเกิดของหญิงคนรักหรือเพื่อนสาวมากกว่าที่จะนึกได้ถึงวันเกิดของเพื่อนชายที่เขามีความสนใจน้อยกว่าเพื่อนสาวนักจิตวิทยาอีกผู้หนึ่งกล่าวยืนยันว่า จากการทดลองกับนักเรียนที่มีความจำดีพอสมควรโดยใช้หนังสือสามเล่มแล้วให้นักเรียนจำความสำคัญในนังสือเล่มนั้นซึ่งผลปรากฏว่านังสือเล่มที่นักเรียนมีความสนใจน้อยที่สุดนั้นต้องใช้เวลาท่องจำยาวนานกว่านังสือที่นักเรียนมีความสนใจมากที่สุดประมาณ 20% การแซงทำเป็นสนใจนั้นก็ช่วยได้เหมือนกันในเรื่องความจำแม้จะไม่มากแต่ก็ไม่น้อยเหมือนกันดังนั้นถ้าหากว่าคุณรู้สึกขาดความกระตือรือร้นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะต้องจำแล้วคุณจะต้องแซงทำเป็นสนใจในสิ่งนั้นๆซึ่งจะช่วยคุณได้มากการเลือกทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์จากการสาธิตของนักจิตวิทยาแสดงให้เห็นว่าการนึกได้นั้นมีอิทธิพลแรงกล้าขึ้นอีก ในเมื่อสิ่งที่คุณนึกได้นั้นมีความสําคัญและทําให้เกิดประโยชน์แก่ผู้นึกได้หรือในเมื่อเขาคิดว่าสิ่งที่นึกได้นั้นมีค่าควรแก่การจดจําไว้เช่นการที่นักเรียนจดจําวันเกิดวันมรณะของบุคคลสําคัญสําคัญในประวัติศาสตร์กับการจําวันเกิดของบุคคลธรรมดาธรรมดานั้นจะเห็นได้ว่าการจําบุคคลในประวัติศาสตร์นั้นยืนนานกว่าบุคคลธรรมดาหลักการจําของดรบรูมาไซกานิก ด็อเตอร์บูมาไซกานิกผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาได้พบหลักการอันน่าทึ่งขณะที่เขาได้ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยในกรุงเบอร์ลินโดยมีหลักการว่าคนที่ทำงานสิ่งใดไม่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้นจะมีความจำในงานที่ตนทำไม่สำเร็จนั้นได้ดีกว่างานที่ทำได้สำเร็จลุล่วงไปแล้วถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือกล่าวอีกในหนึ่งว่า มนุษย์เราทุกคนมีความโน้มเอียงไปในทางที่จำงานที่ตนทำไม่สำเร็จได้ดีแต่มักจะลืมงานที่ตนทำสำเร็จแล้ว คุณผู้อ่านบางคนอาจจะมีประสบการณ์เช่นนี้มาบ้างแล้วก็ได้เช่นในการส่งเงินธนานณ์นั้นคนส่วนมากที่กรอกรายการต่างๆลงไปในแบบฟอร์มสำหรับส่งธนานณ์นั้นเมื่อกรอกเสร็จส่งเงินเรียบร้อยแล้วมักจำรายการต่างๆในธนานณ์ที่คุณกรอกนั้นไม่ได้ในการเล่นไพ่ขณะที่คุณกำลังเล่นไพ่ติดพันกันอยู่นั้นผู้เล่นมักจะจำไพ่ในมือของตนได้แม่นยำแต่พอจบรอบนั้นแล้วทุกคนที่เล่นมักจะลืมไพ่ในรอบที่ผ่านมาแล้วนั้นเสียสิน้น จากกฎของดรไซกานิกนี้คุณอาจจะนำไปใช้กับการช่วยปรับปรุงความจำของคุณก็ได้โดยพยายามจดจำข้อความหรือสิ่งต่างๆที่ยากๆซึ่งจะทำให้คุณเกิดความไม่สำเร็จหรือเป็นความจำที่ไม่สำเร็จขึ้นแล้วเจ้าสิ่งที่ไม่สำเร็จนั้นเองจะช่วยให้คุณเกิดความจำมันได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ก็เพราะมนุษย์เรานั้นมีความโน้มเอียงไปในทางที่จะทางานที่ยังไม่สาเร็จให้สาเร็จไปจงได้คุณจะสังเกตได้ว่า ในขณะที่คุณกำลังสนใจที่จะทำอะไรสักอย่างอยู่นั้นถ้ามีอะไรหรือใครมาขัดขวางการกระทำของเราแล้วความจุงใจที่จะให้คุณทำงานนั้นให้สำเร็จนั้นมักจะมีมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งก็เข้าทำนองที่ว่ายิ่งห้ามก็ยิ่งทำให้ยากมากขึ้นนั่นเองการหยุดงานที่คุณกำลังทำอยู่และยังไม่บรรลุผลสำเร็จถือว่าเป็นการชะงักงานทั้งสิน้นดังนั้นถ้าคุณกำลังท่องจำอะไรสักอย่างและยังจำไม่ได้ ถ้าคุณหยุดพักเสียสักครู่แล้วจึงเริ่มท่องจำใหม่อีกครั้งจะปรากฏว่าคุณมีความจำดีขึ้นมากกว่าเดิมเหตุผลก็คือการหยุดชะงักงานชั่วครู่นั้นเหมือนกับการทวีความโน้มเอียงที่จะกลับไปสู่การชะงักงานอยู่นั้นและด้วยการอาศัยหลักของด็อร์ไซคาริกนี้จึงขอแนะนำให้จัดแยกข้อความที่จะท่องจำนั้นเป็นคู่ๆหรือเป็นหมู่ๆและหยุดการท่องจำในบางครั้งคล้ายกับว่าคุณได้ถูกขัดขวางจากการท่องจำเป็นครั้งคราว อันจะก่อให้เกิดความจุงใจอย่างแรงกล้าในอันที่จะทำงานให้สำเร็จให้จงได้อันหนึ่งโปรดจำว่าการใช้กฎของดรไซการนิกนี้ใช้ได้แต่เฉพาะการถูกขัดขวางให้ชะงักงานลงช่วระยะเวลาอันสั้นเท่านั้นอย่าปล่อยหรือเลื่อนเวลาไปจนถึงวันรุ่งขึ้นผลที่จะเกิดความจุงใจอย่างแรงกล้านี้อาจจะสูญหายไปภายในเวลา 2- ถึงสามนาทีเท่านั้น จึงไม่ควรใช้เวลาพักนั้นไปพูดคุยหรือดูอะไรที่สนุกสนานเพลิดเพลินเสียจนลืมงานที่ค้างไว้ทางสู่ความจำโดยปกติเราได้ทราบกันแล้วว่าทางที่จะให้สิ่งต่างๆผ่านเข้าไปสู่ความจำนั้นได้แก่หูที่รับฟังเสียงและตาที่แลเห็นภาพ การท่องจำที่ใช้วิธีการอ่านออกเสียงนั้นจึงเท่ากับการที่คุณได้ใช้ทั้งหูและทางตารับข้อความนั้นเข้าสู่ความจำซึ่งย่อมได้ผลดีกว่าการฟังหรือเห็นเพียงอย่างเดียวนักจิตวิทยาผู้หนึ่งได้กล่าวว่าถ้าเราต้องการจะจำอะไรได้รวดเร็วและจำได้มากจงนำสิ่งนั้นเข้าสู่ทวารแห่งประสาทให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้กล้ามเนื้อของมนุษย์เรานั้น ก็เป็นเสมือนประตูผ่านเข้าไปสู่ความจำได้ดีกว่าที่หลายๆคนจะคิดถึงเพราะที่กล้ามเนื้อมีประสาทอยู่มากมายโดยเฉพาะช่างเรียงพิมพ์มักใช้ประสาทกล้ามเนื้อช่วยความจำเป็นอย่างมากและจำได้นานดีกว่าการจำด้วยหูและด้วยตาเสียอีกความรู้สึกทางประสาทจากกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูดมีประโยชน์มากในการจทาทั้งนี้นับว่า เป็นเพราะเมื่อเราใช้ความคิดอย่างหนักนั้นเรามีความโน้มเอียงไปในทางใช้กล้ามเนื้อการพูดของเรามากขึ้นก็ได้นักปรัสดเมธีและนักแต่งนวนิยายผู้มีชื่อเสียงผู้หนึ่งกล่าวว่าการพูดกับตนเองเมื่อต้องใช้สมองอย่างหนักในการแต่งนวนิยายนั้นเป็นประโยชน์มากความจำนั้นจะเชื่อถือได้เพียงไร คนเราอาจจะจำอะไรผิดๆได้มากเหมือนกันและเท่าที่ได้เคยปรากฏมาแล้วนักจิตวิทยาพบว่าความจำของทุกคนนั้นมักจะได้รายละเอียดที่ผิดพลาดอยู่มากเช่นในเรื่องสำคัญๆบางเรื่องเราอาจจะนึกถึงหลักใหญ่ๆได้แต่รายละเอียดมักจะผิดพลาดหรือมิฉนั้นก็นำเอารายละเอียดคนละเรื่องมาปนกันการจำอะไรผิดๆเช่นนี้อาจจะก่อให้เกิดความยุ่งยากได้เท่ากับการลืมหรือบางครั้งอาจยุ่งยากกว่าเสียด้วยซ้ำ เพราะส่วนมากคนที่จําอะไรผิดพลาดนั้นมักจะเชื่อว่าสิ่งที่ตนจําได้นั้นถูกต้องแล้วจึงได้ทําอะไรๆ ไ, ไปตามความเชื่อที่ผิดพลาดนั้นในบางครั้งการจําอะไรผิดๆอาจทําให้เรากลายเป็นตัวตลกไปได้เช่นมีเรื่องเล่ากันว่าหัวหน้า ง, งานในบริษัทในต่างประเทศบริษัทหนึ่งเกิดจําผิดพลาดในตําแหน่งที่เขาได้วางธนบัตรฉบับละสิบดอลลาร์ไว้ แล้วกลับมาดูว่าเสมียนในห้องว่ามีคนมือไวใจเร็วคว้าเอาเงิน10ดอลล่าไปแต่บังเอิญเสมียนคนหนึ่งได้แลเห็นว่าหัวหน้าของเขาได้เอาธนาบัตรฉบับละสิบดอลล่าไปวางไว้ในห้องน้ําจึงได้ท้วงขึ้นและเมื่อหัวหน้าของเขาได้ดูก็พบว่าธนาบัตรนั้นยังวางอยู่ในห้องน้ําจริงๆหัวหน้าเลยกลายเป็นคนตลกหน้าม่านไป จากการสำรวจในทางสารปรากฏว่าในปัจจุบันนี้ได้มีคนที่ถูกอ้างเป็นพยานหลายคนถูกข้อหาว่าให้การเท็จเพราะเขาได้สาบานไว้แล้วว่าจะพูดแต่ในความจริงผู้ต้องหาในการเทเ็จนั้นมีหลายคนที่ได้ให้การไปตามความสุจริตตามที่เขามั่นใจว่าเขาจำข้อเท็จจริงได้เช่นที่ได้ให้การไปแต่เพราะเขาจำผิดพลาดจึงกลายเป็นให้การเท็จต่อสารไป มูลเหตุของการจำผิดพลาดอีกประการหนึ่งได้แก่การรับฟังและเชื่อข่าวลือที่เล่าต่อๆกันมาหลายปากดังนั้นถ้าเราเชื่ออย่างฝังใจในข่าวนั้นแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่จำอะไรผิดความจริงไปตามข่าวลือและต้องหาฐานให้การเท็จได้โดยปกติข่าวลือเป็นข่าวที่เชื่อถือไม่ค่อยได้เพราะบุคคลแต่และคนที่นำข่าวลือไปเล่าต่อๆกันไปนั้นมักจะต่อเติมเสริมแต่งให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตเกินความจริง และถ้าบางคนจำข่าวไปเล่าลือผิดผิดคนที่ฟังก็นําเอาสิ่งที่ผิดผิดนั้นไปเล่าต่อๆไปอีกการจำข่าวลือจึงเป็นเรื่องที่ออกจะเสี่ยงอย่างน่ากลัวเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆได้เคยเกิดขึ้นเพราะการจำผิดผิดมาแล้วผลก็คือทำให้การวิจัยหรือสั่งการผิดพลาดไปด้วยกล่าวโดยสรุปแล้วการที่เราลืมนั้นยังก่อให้เกิดผลร้ายได้ไม่มากเท่ากับการจาผิดพลาดดังนั้น เราควรจะต้องศึกษาว่ามีวิธีใดที่จะทำให้ความจำของเราไม่ผิดพลาดและเป็นความจำที่เชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นในการจําเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นแก่บุคคลแต่ละคนเป็นประจำแต่ละวันนั้นอาจจะมีการจําที่ผิดพลาดหรือตกหล่นหรือเกินเลยจากเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงไปมากบ้างน้อยบ้างเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะคนเราส่วนมากมักไม่พยายามจาสิ่งนั้นๆในเวลาที่มันเกิดขึ้น การจำผิดอาจเกิดขึ้นได้บุคคลซึ่งได้รับการฝึกฝนให้มีการสังเกตอย่างละเอียดถี่ถ้วนนักจิตวิทยาได้ทำการทดสอบนักวิทยาศาสตร์ที่มีการสังเกตอย่างละเอียดถี่ถ้วนรายการชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้มีการบรรยายวิชาหน้ารู้วิชาหนึ่ง ให้นักวิทยาศาสตร์ฟังแล้วใช้เทปบันทึกเรื่องราวต่างๆที่บรรยายไว้ต่อมาอีกประมาณสองสัปดาห์ได้ขอร้องให้นักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมชุมนุมฟังการอภิปรายฟังการบรรยายนั้นรายงานว่าใครจำอะไรได้จากการอภิปรายในครั้งนั้นบ้างผลปรากฏว่ารายงานของนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นผิดพลาดไปเกือบครึ่งหนึ่งจากการทดสอบปรากฏว่าการจาผิดพลาดจะมีมาก เมื่อเราถูกกดดันให้พยายามนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ได้เกิดขึ้นมากและละเอียดกว่าที่เราจำได้และนึกได้ในครั้งแรกซึ่งในครั้งแรกนั้นแหละที่มีการผิดพลาดน้อยแต่ยิ่งพยายามนึกมากก็ยิ่งผิดพลาดมากขึ้นดังนั้นจึงขอเตือนว่าอย่าเพิ่งเชื่อถือในรายละเอียดที่เราถูกกดดันให้ต้องพยายามนึกให้มากนักแต่จงหาความแน่นอนด้วยการทบทวนกับบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกเทปไว้ การจำผิดของคนเราจะมีมากขึ้นเมื่อเวลายิ่งผ่านพน้นไปนานยิ่งขึ้นดังนั้นเมื่อเราทบทวนความจำต่างๆก่อนที่จะจงใจเชื่อว่าเป็นความจริงเราควรจะนำความจำนั้นไปเทียบเคียงกับข้อเท็จจริงเดิมและเริ่มจำใหม่ด้วยรายละเอียดที่ถูกต้องสาเหตุแห่งการจำผิดพลาดโดยปกติธรรมชาติความจำของมนุษย์เรา จะไม่เลือนรางหรือจางไปเท่าเท่ากันทุกส่วนดังเช่นการจางของความเข้มข้นในภาพถ่ายที่เราวางตากแดดไว้แต่ผิดกันที่ว่าความจำจะจางไปอย่างสม่ำเสมอคือบางส่วนเลือนหายไปเพียงเล็กน้อยแต่บางอย่างก็เลือนไปจนเกือบจะหมดสิน้นหรือบางตอนเลือนหายจางไปแต่ในบางตอนกลับเพิ่มหนาขึ้นมาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและขึ้นอยู่กับเวลาที่ผ่านไปและขึ้นอยู่กับความกดดันที่พยายามให้นึกมากน้อยเพียงใด นักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิทยาได้ร่วมกันคิดค้นหาสาเหตุแห่งความจำผิดว่ามีอะไรบ้างหลังจากได้ทดสอบกันมาอย่างคร่ำเคร่งแล้วก็พอสรุปผลได้ว่าการที่เราจำผิดพลาดนั้นมีเหตุผลอย่างกว้างๆอยู่สองประการคือ 1. การเปลี่ยนแปลงความจำของมนุษย์เราเพื่อให้ได้รายละเอียดต่างๆเข้ากันได้กับวิธีการที่เราปรารถนาจะให้เป็นเช่นนั้น 2. เรานึกได้อย่างผิด เพื่อให้วิธีจำรายละเอียดต่างๆที่เราพยายามนึกดูจะมีเหตุผลมากขึ้นหรือเพื่อให้ได้ผลต่อการที่เราได้มุ่งหมายว่าจะให้เป็นดังนั้นมากขึ้นการจำผิดๆเพื่อประสงค์จะให้ได้รายละเอียดผสมผสากนกันกับสิ่งที่เราปรารถนานั้นมักจะอุบัติขึ้นได้บ่อยครั้งในการสืบพยานคดี ต, ต่างๆและผลเสียอาจร้ายแรงถึงขนาดถูกกล่าวหาว่าให้การเท็จในสารอันมีโทษทางอาญาได้ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังไว้เป็นพิเศษถ้าคุณต้องไปให้การเป็นพยานในศาลจงอย่าพยายามนึกให้มากเกินกว่าที่คุณให้การจากการจำได้ในครั้งแรกไม่ว่าจะถูกทนายใช้เลขกระเทศในการซักถามอย่างไรก็ตามสำหรับเหตุผลประการที่สองนั้นมาเกิดจากอคติและความหลงต่างๆของเราที่มีอิทธิพลรุนแรงขนาดเปลี่ยนแปลงความจาของคุณได้โดยไม่รู้สึกตัวด้วยเหตุนี้ความจาที่ผิดพลาด จะถูกแต่งให้กลมกลืนเข้ากับความหวังของคุณนอกจากนั้นรอยประทับครั้งแรกที่เลือนลางไม่แจ่มชัดนั้นก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้ความจำของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางผิดพลาดได้เป็นอย่างดีนักวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันหลายท่านด้วยกันได้อย่างเน้นหนักว่าการเคลื่อนไหวทางสมองที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของสมองของมนุษย์เราก็คือ ความโน้มเอียงในการที่จะเปลี่ยนแปลงความจำและความรู้ของเราเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นดูเหมือนว่าเสร็จสิ้นและเป็นประโยชน์ต่อเราจนเราอาจนำไปใช้ปฏิบัติได้การจำลักษณะของบุคคล น, นั้นกล่าวกันว่าง่ายเสียยิ่งกว่าการจำชื่อเพราะชื่อนั้น ไม่ว่าจะเป็นชื่อของมนุษย์สัตว์หรือสิ่งของมักจะถูกเรียกขึ้นอย่างไม่ค่อยถูกต้องเสมอไปนักทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพของชื่อนั้นๆเช่นชื่อบังชื่อก็มีความหมายกำกวมและชื่อบังชื่อเช่นชื่อคนชื่อสัตว์ก็ถูกตั้งขึ้นมาตามใจชอบของผู้ตั้งชื่อนั้นขึ้นมาโดยไม่มีลักษณะที่จะให้จดจำได้แม่นยำ